าต่อไปพูดถึงในเรื่องของการุณาต่อเนาะช้าพูดถึงเรื่องของเมตตาและต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของกรุณาและก็วิธีการเจริญการุณาย้อนไปดูความหมายของคาว่าการุณานิดหนึ่งการุณาก็มีความเป็นไปโดยการปลดเปลื้องทุกมีการอดกลั้นไม่ได้ ต่อความทุกข์ของผู้อื่นเป็นกิจแล้วก็มีการไม่เบียดเบียนเป็นเครื่องปรากฏมีการเห็นความหรือมีการเห็นความเป็นผู้อนาถาไร้ที่พึ่งของสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นประธานเป็นเหตุใกล้มีการเข้าไปสงบระงับความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นสมบัติแล้วก็มีความ เกิดความเศร้าโศกนะั้นเป็นความวิบัติกรุณาก็ก็เปรียบเหมือนว่ามารดาบิดาผู้มองดูบุตรน้อยของตนเองเนี่ยก็รู้สึกสงสารว่าเจ้าเป็นทุกจริงหนอะชั้นใดบุคคลผู้สงสารสรรพสัตว์ก็ชั้นนั้นเหมือนกันนี้ก็คือกรุณานะทัานบุคคลย่อมอยู่อย่างมีกรุณาไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เรียกว่าปัจจุบนัน ความไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่เป็นลักษณะความสุขนี่เป็นรสและความไม่เบียดเบียนเป็นบทัดฐานการุณานั้นกรุณาก็หมายถึงความสงสารความมีเยื่อใยใคร่จะช่วยเหลือปรารถนาให้ผู้อื่นนั่นแหละตลอด ถ, ถึงสัพพสัตที่ประสบความทุกข์อยู่พ้นจากความทุกข์และพ้นจากความเดือดร้อนปราศจากเวรไภปราศจากทุกโศกเป็นลักษณะที่เตรียมเปลี่ยนไปด้วยไมยตรี มุ่งความปราศจากทุกข์และความเดือดร้อนทั้งปวงเหมือนกันหมดกรุณาเนี่ยเป็นกุศลและจิตนะซึ่งมักจะเกิดขึ้นแก่สาธุชนคนดีงามที่มีลักษณะเป็นนามธรรมาและบุคคลเนี่ยสามารถกระทําให้ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ด้วยการด้วยพฤติกรรมทางกายบ้างหรือพฤติกรรมทางวาจาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงสารอยากจะพ้นหรืออยากจะช่วยเขาพ้นจากความทุกข์ต่าง และเป็นความปรารถนาดีที่คิดจะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆคุณธรรมข้อ น, นี้ย่อมเกิดขึ้นกับสาธุชนทั่วๆไปแต่สำหรับคนชั่วช้าแล้วเนี่ยเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากปุ๊บแทนที่จะช่วยเหลือแต่ก็ไปซ้ำเติมเช่นพอมีอุบัติเหตุคนดีก็คิดช่วยเหลือแต่คนชั่วก็คิดช่วยคิดจะฉกฉวยทรัพย์ของปรา ข, ของคนอื่นอันนี้ นี่คนเราประเด็นกันทีนี้ปฏิปักธรรมของการุณาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นศัตรูสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการุณาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นฉะนั้นการุณาเป็นธรรมะฝ่ายกุศลทำที่เป็นปฏิปกักกับการุณาจะเป็นฝ่ายของอกุศลซึ่งมี2ประการนะโดยจัดเป็นค่าศึกใกล้กับค่าศึกไกล ค้าสึกใกล้ของกรุณาก็มันได้แก่โทมนัตก็ปแปล ว, ว่าความทุกข์ใจความเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจพระพุทธเจ้าตรัสถึงโทมนัตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็โทมนัตเป็นอย่างไรทุกที่เป็นไปทางใจอันไม่แช่มชื่นซึ่งเกิดขึ้นโดยการสัมผัสอารมณ์ทางใจอันบุคคลสวยอยู่รู้สึกไม่แช่มชื่นนี้เรียกว่าโทมนัตโทมนัตมาจากคาว่าทุกขิโตโมโนทุมโมโน ธุมนาสสะพาโวธุมนัสนสังก็แปลว่าใจเป็นทุกข์ชื่อว่าธุมนาภาวะที่ใจเป็นทุกข์นี่แหละเป็นความทุกข์ใจกรุณาและธุมนาสมีลักษณะเข้ากันได้เวลาเราช่วยเหลือใครแล้วไม่สามารถจะช่วยได้มันก็จะธุมนัสหรืออยากจะคิดจะปลดเปลื้องความทุกข์ของคนอื่นแล้วเนี่ยมันมีเหตุขัดข้องมาเกิดขึ้นก็เลยนั่งเสียใจอ ย, อย่างนี้ไปตอน กรุณามีทุกขิจสัตว์แตว่าบัญญัติเป็นอารมณ์ก็หมายความว่ากรุณาเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านผู้บำเพ็ญเพียรมองดูได้รับความรับรู้ถึงภาวะที่สัตว์ต่างๆกําลังประสบความทุกข์อยู่มีความลำบากกายมีความลำบากใจแล้วท่านผู้บำเพ็ญเพียร เ, เหล่านั้นก็เกิดหวั่นใจใครคิดจะช่วยเหลือเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์เป็นต้นทีนี้โทมนัทเวลาเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขามองดูแล้วได้รับความได้รับทราบถึง สัตว์ต่างๆพวกําลังเป็นทุกข์แล้วรู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยเนี่ยไอความรู้สึกในลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นธมานาทเข้ามาแทรกอันนี้เป็นกรุณาเทียมนะในปปัญเจจูปันจะ ป, ะปั ญ, ญจสูทนีบอกว่าเมื่อบุคคลปรารถนารม์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วไม่ได้ธมานาทก็เกิดขึ้นในปรมาตถีปณีก็กล่าวลักษณะของธมานาทด้วยสาประการเหมือนกันธมานาทมีลักษณะบีบคั้นจิต มาจากคำว่าจิตตะปีรณารักษนังโทมานัสสังเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสภาพจิตจะถูกบีบคั้นแล้วก็มโนวิคขาตานารสังก็มีความคับแค้มใจเป็นกิจพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ก็ขับแค้นใจมีอะไรเป็นอาการปรากฏมีความเบียดเบียนใจนั่นแหละเป็นปัจจุบันฐานเป็นอาการปรากฏอกโทมนัสเนี่ยความโทมนัเสเศร้าโศกเสียใจมีเหตุมาจากตัณหากระไร คือคนที่กำลังสวยทุกข์เช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นเป็นคนที่เรารักพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่คนที่เรารักความเศร้าโศกเสียใจมันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมตันหาก็เป็นปัจจัยเกิดธรมนัตด้วยนี่ก็เรียกเป็นเหตุใกล้ของการุณาความการุณาแท้ไม่ได้มีกสาเหตุมาจากตันหาเกิดขึ้นเกิดขึ้น สักแต่ว่าปารบทุกข้องสัตว์ทั้งหลายเป็นประมาณไม่เกี่ยวกับบุคคลผู้นั้นว่าจะเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักแต่ประการใดเป็นไปโดยเสมอหน้าเหมือนกันหมดนั้นต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความเดือดร้อนเนี่ยส่วนความโทมนัจะเป็นการนำทุกข์ของผู้อื่นมาใส่ตนคือเห็นเขาเสวยทุกข์กระพอยมีทุกข์ใจไปด้วย ก็หมายควา ม, มาทุกของผู้อื่นเป็นการบีบคั้นจิตใจของตนทำตนรู้สึกเดือดร้อนเกิดความรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้นในใจเนี่ยแต่ถ้าความกรุณาเนี่ยไม่ได้นำความทุกของผู้อื่นมาใส่ตนนะคือเห็นเขาเสวยความทุกแม่วันไหวก็หวันไหวโดยฐานะที่ต้องการอยากไปช่วยเหลือเขาให้เขาได้พ้นจากความทุกแต่จิตใจจะไม่ทุกไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้ขึ้นในจิตใจตรงกันข้ามยิ่ง มีความเขาบอกว่ายิ่งมากยิ่งกระตือรือ้นในอันที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในพ้นไปจากความทุกข์สรุปว่าก็คือว่าการุณาและโทมนัทเนี่ยต่างก็มีทุกข์สัตว์เป็นอารมณ์เหมือนกันคือสัตว์ที่กําลังได้เครับความทุกข์เป็นอารมณ์เวลาเกิดขึ้นเขาพารอบความทุกข์ของผู้อื่นความทุกข์ยากของผู้อื่นนั่นแหละแต่ก็นั้นเนื่องจากการุณาเนี่ยเป็นกุศลจึงปารอบถึงความวิบัติหรือความทุกข์ยากลําบากของสัตว์ก็จะไม่ทําให้ผู้ปฏิบัติมีความเดือดร้อนใจแต่ประการใด มีแต่ความเบิกบานแช่มชื่นซึ่งเหตุผลที่เบิกบานแช่มชื่นก็เพราะว่ามีจิตใ จ, ใจขนขวายในอานที่จะช่วยเหลือให้เขาหนะพ้นจากความทุกข์เมื่อปารอบถึงความวิบัติของผู้อื่นตนเองก็พลอยถ้าเป็นโทมนัสนี่คนละอย่างกันปารอบถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นปุ๊บตนเองเดือดร้อนใจไปด้วยเนื่องจากสภาพของโทมนัสนั่นเองทําให้ตนเองเดือดร้อนใจเนี่ยเป็นตน้น เพรมนัติเป็นอกุศลเข้าใจนะกรุณาเป็นกุศลโทรมนัตตนี่เป็นอกุศลฉะนั้นโทมนัตเลยเป็นการเป็นค่าศึกไกลมันใกล้ชิดเพราะมีสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่เป็นอารมณ์เช่นเดียวกันส่วนค่าศึกไกลของกรุณาได้แก่วิเหสาซึ่งแปลว่าความเบียดเบียนหรือการทําร้ายวิหิงสากัน พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะของวิเหศาหวิหิงสาว่าเป็นเไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างเป็นต้นท่อนไม้ความเดือดร้อนยิ่งความเข้าไปทําร้ายอันใดนี้เรียกว่าวิเหศาหวิศาวิเหศ า, า, านี่เป็นความคิดที่ต้องการเบียดเบียนต้องการทําร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นสภาพของอกุศลโดยส่วนเดียวเป็นลักษณะนิสัยของคนอัตยาสัยที่ชั่วช้าและก็สันดานหยา ซึ่งคิดแต่จะทำร้ายคนอื่นนี่นับว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารท่านผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยควรเจริญกรุณาไปให้เขาอาจจะมีความเป็นอยู่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เมื่อเขาจะรักโลกนี้ไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วก็เข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตทะลกใช่ไหมย่มนาดของความที่คิดเบียดเบียนนี่แหละสมดังที่ปรากฏในคัมภีร์ถาถาตบอกบุคคลที่มีปกติเบียดเบียนย่ำเข้าถึงโลกแห่งความเบียดเบียน กรุณาเนี่ยจะเพ่งความวิบัติของหมู่สัตว์แต่มีลักษณะต้องการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ส่วนวิหิงสาจึงเป็นข้าศึกไกลต้องกรุณาเพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนโดยส่วนตัวด้วยเหตุนี้ในคาสอนของพระเจ้าก็จะแสดงว่าผู้ปฏิบัติเจริญกรุณากรรมฐานโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อวิหิงสาการที่จะเจริญกรุณาได้เนี่ยด้วยเนี่ย จัเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือเป็นต้นด้วยในขณะเดียวกันไม่ใช่ฐานะที่จะพึงเป็นไปได้เพราะงั้นแท้วิหิงสาเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับกรุณาเมื่อมีวิหิงสาก็จะเจ้ขาดกิบกรุณาแต่เมื่อเจริญกรุณาได้ชื่อว่าเป็นการละวิหิงสาไปในตัวด้วยความคิดเบียดเบียนเนี่ยเพราะวิหิงสานี่เป็นธรรมที่ละได้ด้วยกรุณาพระรเจ้ากระตัดแกราหุนว่าดูก่อนลาหุนเธอจงเจริญกรุณาภาวนานะ เมื่อการุณาภาวนาของเธอเจริญรุ่งเรืองแล้วจักระวิหิงสาได้โดยแท้นี่เวนต้นความคิดเบียดเบียนทีนี้วิธีการเจริญการุณาเนี่ยนะผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความประสงค์จะเจริญกรุณาเนี่ยประการแรกก็ต้องทำโ ป, ะ, ปะกิจเบื้องต้นให้เสร็จดังที่ได้กล่าวไว้ในเมตตาเนะี่ัโ ป, ะ, ปะกิจเบื้องต้นก็คืออะไร <c oughs> คืออะไรอ่ะก็คือละปริพน์มีการตั้งมั่นอยู่ในศีลละปริพนททั้งสินะความกังวลในที่อยู่นะความติดในที่อยู่อาศัยติดในลาบสกาลาติดในหมู่คณะกังวลในการงานกังวลในการเดินทางกังวลในญาติพี่น้องกังวลในความเจ็บป่วยกังวลในการศึกษาและอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เมื่อละความกังวลเหล่านั้นแล้วจะได้เจริญกรรมฐานได้สะดวกไม่มีเครื่องกรรัรบกวนทางด้านจิตใจอันดับแรกก็คือพิจารณาเห็นโทษของวิหิงสาก่อนก็คือความคิดเบียดเบียนคนจะเจริญกรุณนาเนี่นะ <c oughs> และพิจารณาสอสงของกรรณาวิหิงสาก็คือโทษของวิหิงสาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกเนี่ย ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้เป็นต้นด้วยสตาความเดือดร้อนยิ่งความเข้าไปทําร้ายนี่เรียกว่าหิงสาและเมื่อบุคคลเนี่ยมีปกติเบียดเบียนเขาย่อมถึงโลกแห่งการเบียดเบียนบุคคลที่มีอัตยาศัยชั่วร้ายก็ชอบทรมานเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเองบ้างใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนบ้างผลวิบากของความชั่วร้ายของการเบียดเบียนนี้ก็ย่อมสนองเขาทั้งในโลกปัจจุบันและก็ในโลกหน้า คือเมื่อบัวใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยการทําให้พิการให้ทนทุกข์ให้ทรมานบ้างทําให้เสียทรัพย์ทําลายเสียชีวิตเนี่ยเพราะเหตุดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนในกรรมที่เขาก็ทําเป็นต้นเหล่านั้นความเสียชื่อเสียงการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นเหตุก็กระพือสพัดไปเมื่อเขาเข้าสู่สมาคมเขาจะเป็นคนไม่แกล้วกล้ า, ลาไม่สง่าไม่ผ่าเผยขั้นเขาตายไปแล้วก็ไปเกิดในทุกติภูมิก็คือเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก ทีนี้ภายหลังเมื่อเขาได้มีโอกาสเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในสุคติภูมิครั้งหนึ่งเขาก็จะเป็นคนเกิดในชาติตระกูลที่ต่ำนะจะเป็นคนมีผิวพรรณสามที่น่าเกลียดไม่เป็นที่น่าชื่นชอบใจของตนเองและของคนอื่นที่พบเห็นจะเป็นคนมีโรคภัยแค่เจ็บมากเขาจะเป็นคนอายุสั้นมีชีวิตอยู่ในโลกนี้น้อยนี่แหละเป็นผลของการเบียดเบียนนะ รายละเอียดก็เยอะถ้าไปดูการผิดศีลข้อที่1นเนี่ยนะนั่นแหละโทษของการผิดศีลข้อที่1ก็คือโทษของการขาดการุณานั่นเองเมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาเห็นโทษของวิหิงสาอย่างนี้แล้วในลําดับต่อไปก็พิจารณาถึงอนิสงค์ของกรุณาความสงสารสัตว์ความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนโดยตรงกันข้ามกับวิหิงสาตามที่ได้พิารณาอนิสงค์ของกรุณาในวิสุทธิมรค ก, ก็แสดงไว้บอกว่า มีสิประการ น, นะหลับเป็นสุขเหมือนกันหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ไฟสัตว์ายพิษโลกร้ายก็ไม่เบียดเบียนสีหน้าผ่องใสสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยามีในีหละพรมโรคเป็นไปในพบหน้าด้วยโทษของวิหิงสาและอานิสงส์ของกรุณาเนี่ยให้พิจารณาให้เด่นชัดเช่นนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็ต้องทําความเข้าใจแต่บุคคลที่เจริญกรุณาไปถึงก่อน เนื่องจากกรุณามีทุกขิตาส ต, ตวัดบวรย์หยาดเป็นอารมณ์ก็คือสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์เนี่ยคือผู้ปฏิบัติจําต้องเจริญกรุณาไปยังบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากต่างๆดังนั้นเวลาเริ่มเจริญกรุณาก็ต้องรู้จักบุคคลที่เป็นโทษบุคคลที่มีควรเจริญกรุณาเป็นอันดับแรกและบุคคลที่ควรเจริญกรุณานีบุคคลที่เป็นโทษต่อการเจริญกรุณามีเจ็ดจำพวกแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่1 บุคคลที่ไม่ควรเจริญกรุณาในันดับแรกๆเลย5จําพวกปิยะบุคคลหรือปิยะบุคโรในบุคคลนันเป็นที่รักยังเจริญกรุณาไม่ได้ก่อน 2. อติปิยสหายกาก็คือบุคคลที่เป็นสหายเป็นเพื่อนรักยิ่งๆสามมาชโตบุคคลที่เป็นกลางสี่อปิอปิยบุคคลก็คือบุคคลที่ไม่เป็นที่รัก5้กเวรีบุคคลบุคคลที่เป็นคู่เวรกันใน5จําพวกเนี้ย ผู้ปฏิบัติไม่ควรเจริญกรุณาไปในอันดับแรกเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปเจริญก่อนเหตุที่ไม่เจริญเป็นเปอันดับแรกในวิคามิวสิทธิมัชท่านตอ บ, บอกว่าถามว่าเพราะอะไรจึงไม่ควรเจริญไปในบุคคลห้าจำพวกนี้คือบุคคลที่เป็นที่รักเป็นต้นเนี่ยคำตอบก็คือว่าคนที่เป็นที่รักก็ตั้งอยู่ในฐานะของคนที่เป็นที่รักคนที่เป็นสหายเป็นที่รักก็ตั้งอยู่ใน ฐานะเป็นสายเป็นที่รั ก, กหรือตั้งอยู่ในฐานะความที่เป็นกลางๆเป็นที่รั ก, กเป็นต้นหรือเป็นผู้เวนเนี่ยเนื่องจากผู้ปฏิบัติกรุณายังไม่เคยฝึกในการบํำเพ็ญกรุณามาก่อนเริ่มแรกเนี่ยการปฏิบัติหากเจริญกรุณาไปยังบุคคลที่เรารักหรือเพื่อนที่เป็นที่รักเวลากระทำไว้ในใจขอให้บุคคลที่เป็นที่รักจงพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดเนี่ยสภาพจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยมีความรักอยู่ในท่ามกลางนี้อยู่ก่อนแล้วดังเนี้ สภาพจิตใจเนี่ยจึงจะเป็นจึงเป็นเมตตาก็ไม่ใช่กรุณาแล้วเห็นไหมเพราะเมตตาเนี่ยมีสัตว์ที่กำลังมีปียะมนาปสัสสตว์บัญญัตินี่เป็นอารมณ์คือมีสัตว์ที่กาลังเป็นปกติอยู่เป็นอารมณ์เนี่ยพอเราเจริญไปในบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือเป็นผู้เคารพปุ๊บใจมันเลยกลายเป็นเมตตามันไม่เป็นกรุณานี่เราต้องการเจริญอะไร เออตัอง้งต้องการเจริญกรุณานิจใจมันก็พับไปเป็นเมตตาอยู่เรื่อยเลยเออกรุณาเนี่ยมันมีอารมณ์ต่างกันนะกรุณามันใช้ในสถานการณ์ที่เขากำลังตกต่ำในสถานการณ์ที่ผิดปกติแต่เมตตาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่ปกติบางคนก็แยกไม่ออกระหว่างเมตตากับกรุณาใช่ไหอันนี้การเจริญกรุณาที่จะให้ได้เป็น กิจจาลักษณะเนี่ยให้เป็นผลขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยนั้นสภาพจิตใจเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเมตตาไม่ใช่กรุณาอันนึงหากการุณาเกิดขึ้นก็จะเป็นกรุณาที่เจอด้วยโทสะเนื่องจากว่าเพราะรักมากเมื่อเห็นเขาทุกข์ก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยหรือบุคคลเป็นกลางกลงเมื่อทําไว้ในใจโดยขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดเนื่องจากสภาพจิตใจมีความเฉยๆดังนั้นกรุณาก็ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก หรือบุคคลที่เกลียดกันน่ยหรือบุคคลที่เป็นศัตรูกันเมื่อทําไว้ในใจขอให้พ้นจากทุกปุ๊บความโกรธก็จะเกิดขึ้นจิตใจของผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะคัดค้านย่อมจะไม่ยอมรับก็จะสับสนจะวุ่นวายส่งผลให้จิตไม่เป็นสมาธิกรุณาก็ย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้และผู้ที่ตนเองเจริญกรุณาไปก็ไม่สามารถรับได้ด้วยดังนั้นท่านจึงห้ามไม่ให้เจริญกรุณาไปในบุคคลห้าจำพวกนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนี่กลุ่มแรก กลมที่สองก็คือบุคคลที่ไม่ควรเจริญกรุณาสองจำพวกก็คือบุคคลที่ห้ามเจริญกรุณาโดยเจาะจองคือลิงคะวิศภาคะปุคโลบุคคลที่มีเพศต่างกันหญิงเจริญให้ชายชายเจริญให้หญิงเนี่ยพอไปเจริญอย่างนี้ไปเจาะจองอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวกิเลสมาแทนดังได้กล่าวไว้แล้วในในเมตตาบุคคลที่เจริญกรุณาไปไม่ได้เลยคือกาลกตาปุคโลคือคนที่ตายแล้ว เมื่อวันก่อนเนี่ยที่ถามบอกว่าเอ้าทําไมถึงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะตายแล้วอ้าวทำไมถึงไม่ได้กระถามต่อบุคคลนั้นไม่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแล้วกระแสชีวิตของท่านดูนั้นไม่มีอยู่ให้เห็นไม่มีอารมณ์มันเป็นที่รองรับกรุณายต่อไปกรุณาเจริญไม่ได้เมตาก็เจริญไม่ได้นะไม่ตามกันเพราะอะไร เพราะไม่มีชีวิตอยู่ไม่มีตัวตนหลงเหลืออยู่แล้วทีนี้บุคคลที่ควรเจริญกรุณาแหะเมื่อผู้ปฏิบัติทราบถึงโทษของวิหิงสาอนิสงของกรุณาปุ๊บตลอดถึงบุคคลที่มีโทษต่อการเจริญกรุณาต้นๆแล้วลําดับต่อไปก็ต้องทราบถึงบุคคลที่ควรเจริญกรุณา 1. การเจริญกรุณาไปในตนเองเอาอะไรเดี๋ยนี้ อันดับแรกต้องเจริญกัลปนาตัวเองเอ๊ะทำไมโอเจริญยากนะถ้าบอกเจริญกรุณนาตัวเองเจริญยากไหม <c oughs> หรือประการที่สองก็คือคนยากเข็นคนยากจนเข็นใจเนี่ย <c oughs> หลังจากเร <oons> จเริญให้กับตนเองเบ็ดเสร็จก็ไปเจริญให้คนยากจนเขียนใจคนมีความสุขความเจริญแต่มักจะกระทําทุจริตคือท sí ําชั่วทั้งหลายเหล่านี้ก่อนบุคคลอื่นทั้งหมดนี่ลำดับแรกๆเลยนะลำดับที่2เจริญกรุณาไปในบุคคลเป็นที่รักนะเพราะเจริญในกับตนเองเบ็ดเสร็จเจริญให้บุคคลที่กําลังทําบาปทั้งหลายพบต่อไปก็เจริญให้บุคคลที่เป็นที่รักประการที่3ก็เจริญกรุณาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆ 4. ก็คือเจริญกรุณาไปในบุคคลที่เป็น หรือคู่เวรกับตนเองนี่เป็นต้นอันลำดับแรกการเจริญกรุณาไปในตนเองในลำดับแห่งการเริ่มเจริญกรุณานั้นผู้ปฏิบัติต้องเจริญไปในตนเองเป็นันดับแรกก่อนด้วยการภาวนาซ้าๆหลายร้อยหลายพันเนี่ยนะจนกว่าจิตใจของกรุณานนั้นจะกลายเป็นจิตที่อ่อนโยนจิตที่ ตั้งมั่นจิต ท, ที่เป็นกุศลจิต ท, ที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิต ท, ที่ไม่มีโรคจิต ท, ที่ไม่มีโทษจิต ท, ที่ไม่มีของเสียจิต ท, ที่ควรต่อการงานเพื่อประโยชน์จะได้เป็นสักขีพยานในการเจริญไปยังบุคคลอื่นทั้งนี้เพราะความกรุณาเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เท่ากับความกรุณาตนเองนั้นน่ยไม่มีแล้วท่า น, นบอกว่ารักอื่นเสมอด้วยตนเองไม่มีกรุณา อื่นจะเสมอด้วยกรุณาตนเองก็ไม่มีเหมือนกันเมื่อทําการเจริญกรุณาตนเองอยู่เสมอเสมอแล้วความปรารถนาให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงความปรารถนาสุขกลัวทุกข์อยากมีอายุยืนไม่อยากตายที่มีจะประจําใจอยู่นั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็นึกเปรียบเทียบไปยังสัตว์ทั้งหลายว่าล้วนมีความปรารถนาเช่นเดียวกับตนเองทุกประการเออพอมองอย่างนี้การเจริญกรุณาตนเองมันพิจารณาหน้ากรุณานะ ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้นะว่าเราเนี่ยยังมีราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเนาะเรายัางสามารถที่จะกลับไปทํำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอาจจะมีโอกาสไปตีเตียนพระริยาเจ้าเบื้องหน้าเตตายเพราะกายแตกเนี่ยก็เข้าถึงอบายทุกขติวิธิบัตินรกโอ้โยนะ่กากรุณาตนเองเนะแล้วก็บอกว่าปุถุชนเนี่ยความเป็นไปได้นะกับความเป็นไปไม่ได้เนี่ย เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระริยาบุคคลจะทํามาตุคาตฆ่าแม่ปิดุคาตฆ่าพ่ออธรรธาหารตะฆาตฆ่าพระอาหารโลหิตบวบาททาร้ายสังทำสังฆเภศเอ่อโลหิตบาตททาพุทธเจ้าห่อพระโลหิตสังฆเภศทําสงให้แตกจากกันหรือเป็นมิจฉาทิฐิอย่างรุนแรงเป็นนิ้ตามิจฉาทิฐิเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปไม่ได้หรอกพระริยาบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ใช่ฐานะที่ท่านจะเป็นไปอย่างนั้นแต่เป็นไปได้นะที่ปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย ถ้าประสบโอกาสขึ้นมาเนี่ยอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งหรือแม้ในอัตภาพนี้จะไปฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าพาระทหารก็ได้ทำพุทธเจ้าให้ระห้อพระโลหิตก็ได้ทำสังฆเภทเป็นต้นก็ได้หรือเป็นเนื้อต่อมิจฉาทิฐิที่เป็นนาติกาทิฏฐิอเยตุกาทิฐิอักเริยทิฐิเนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงเอาอาบายทุกขถิวินอบาทโลกได้เล ย, เ น, ยนี่มันน่าการุณาตนเองอย่างนี้แหละ เรพิจารณาอย่างนี้แล้วกายทุจริตวจิทุจ ร, ทจริตมนโนทุจ ร, ท จ, รทจริตที่ตรเองทํามาในสังสารวัตรเนี่ยโอ้โหมากมายนะอกุศลกรรมเหล่านั้นน่ยยังไม่ได้ละเลยอ่ะหวังงั้นเถอะบาปกุศลกรรมชั่วร้ายทั้งหลายที่จะนําไปเกิดในเวทีมหานรกมันก็ยังมีอยู่นะไอกรรมประเภทนี้ที่เราทําไว้ในสังสารวัตรเนี่ยแ้วเราดูอย่างยกตัวอย่างเช่นนีบริวารของสุพรหมเทพประบุเนี่ยห้าร้อยที่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เนี่ย มีหนึ่เนี่ยอีกห้าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กําลังเก็บดอกผ ล, ลไม้อยู่แล้วอยู่ต่อมาก็หายวับไปทั้ง500ก็คือตายอ่ะตายแล้วไปไหนไปลงเอเวจีกันเลยเงี้ยเออเรามาดูอย่างเราเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่อยู่กันอย่างกิเลสก็ท่วมท้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นพบที่ทําบาปก็ง่ายทําบุญก็ง่ายเนี่ยนะหมายความว่ามันสามารถที่จะเห็นผลบุญผลบาปได้ค่อนข้างชัดมากในพบมนุษย์นจะมันอยู่กลุ่งกลางเนี่ยว่างั้นเถอะ ถ้าบางคนชั่วก็ชั่วสุดๆเลยสามารถทําอนันตริยกรรมก็ได้ดีก็ดีสุดๆสามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยนะเราอยู่ในพบในลักษณะอย่างนี้มันเป็นไปได้ทั้ง2องมุมนะชั่วกับดีเนี่ยนะเออตรงนี้แต่ความชั่วทั้งหลายที่เราเคยทาไว้มันเยอะแยะหมดประพิจารณาอย่างนี้มันน่าการุณาตนเองไงเขาบอกว่า ให้พิจารณาถึงบาปเก่าทุจริทเก่ากุศลกรรมเก่าที่เคยทำมาแล้วที่ยังไม่ได้ผลและกําลังจัดกรอจะให้โอกาสนี่แหละมันเหมือนไฟนี่แหละไฟที่มันตามมาด้านหลังเนี่ยซึ่เราไม่เห็นไม่รู้เลยไอ้บาปเก่าทุจริทเก่ากุศลกรรมเก่าๆอย่างนั้นเรายังไม่ได้ละได้เลยยังไม่ได้ละไดโซดาปฏิมาสเป็นต้นเหล่านี้ยังไม่สามารถตัดเชื้อวงจรแห่งการที่จะไปลงอาบายทุกติวิทยาศาตรในรกได้เลย ส่วนบาปใหม่อกุศลใหม่ทุจริตใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้อีกในการข้างหน้าเนี่ยเราจะไปผือหรือไปเผอทําลงไปอย่างเงี้ยนี่ความน่ากรุณาตัวเองเกิดขึ้นอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้กันแล้วเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าน่ากรุณาเน้ะตัวเราเองเนี่ยเพราะงั้นเด้อที่เรายังจมอยู่ในบาปอกุศลกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้โอกาสที่จะพลาดพลั้งสูงมาก โอกาสจะเจอกายานมิตรเอ้ยได้ฟังพระสัทธรรมเอยทำโยนที่โสมนสิการให้เกิดขึ้นความเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยกา ย, ยาสุจลิตว์วจีสุจลิตมโนสุจลิตเนี่ยจเจริญกุศลเบื้องหน้าแต่ตายว่ากายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์โอกาสนี้ก็ยากก็เกินเหือนนเออพอพิจารณาอย่างเนี้ยก็ให้กรุณาตนเองอย่างนี้นให้เกิดขึ้น เอามาพิจารณาว่าตนเองกลัวทุกข์อยากมีอายุยืนแล้วก็ไม่อยากตายที่มีประจําใจอยู่อย่างเนี้ยย่อมเกิดขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็นึกเปรียบเทียบไปในสัตว์ทั้งหลายด้วยนะสัตว์ทั้งหลายก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกันกับตนทุกประการอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุสําคัญที่จะช่วยให้กรุณาเจตเกิดเกินได้ง่ายแล้วก็ตั้งอยู่อย่างมั่นคงตลอดจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ดํารุอุปจารสมาธิได้ด้วยภาวนาบอกว่าอาหังทุกข์ขา มุจจามิขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกเถิดขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกเถิดฉะนั้นคําว่าขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกเถิดเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจงพยายามภาวนาส่งจิตอันประกอบไปด้วยกรุณาพร้อมกับการภาวนาซ้ําแล้วซ้ําเล่านึกถึงที่กระแสชีวิตของตนเองจนกรุณาปรากฏเกิดขึ้นในใจอย่างเด่นชัดในทํานองเดียวกับที่เจริญเมตตาเท่านั้น เพื่อให้การเจริญกรุณาเป็นไปโดยง่ายผู้ปฏิบัติควรเจริญเมตตาเป็นไปในตนเองจนช่ำชื่นแล้วเนี่ยแล้วต่อไปก็ประการที่2ก็คือเจริญกรุณาไปในบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความหรือคนที่มีความประการต่อมาคือคนที่มีความสุขแต่มกกททักจะกระทําทุจริตทํากายยทุจริตวจีโโทุจริตมโนทุจริตเป็นอันดับแรกนี่พระพุทธเจ้าตรัสก็ไว้นะ ในคำพีวิพังบอกว่าภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยกรุณาย่อมแผ่ ก, กรุณาจิตไปในทิศหนึ่งอยู่คือทําอย่างไรเหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่นซึ่งคนเข็นใจประสบความทุกข์ประกอบด้วยบาปทํากรรมชั่วเป็นต้นเหล่านี้ก็เกิดกรุณาขึ้นฉะนั้นฉนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อได้เห็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นคนที่น่าสงสารผู้ประสบความทุกข์ยากลําบากเห็นคนยากจนเข็นใจแต่เขายังประกอบกายทุจริต พิจิตรเจริญมโนโทุจริตอยู่ทั้งๆที่ตนเองอดอยากนั่งขอทานก็พึงยังกรุณาจิตให้เป็นไปโดยการภาวนาว่ากิจฉังวตายางสัตโตอปปโนอปเปวะนามะอิมัมหาทุกขามุจเจ ย, ยะวังออ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้พูดอย่างนี้ <c oughs> สัตว์นี้ประสบความทุกข์ยากลำบากแท้หนอขอจงพ้นจากความทุกข์นิถิด ก็โอ้ท่านผู้นี้เมื่อเห็นแล้วก็เกิดสังเวคชญาณนะญาณปัญญาไปพิจารณาเห็นสัตว์นี้กำลังประสบความทุกข์ใช่มั้ยเห็นประสบความทุกข์แล้วไม่พอนะยังทำกรรมช่วยอีกนักด้วยเป็นคนตัณฑ์ด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้เรื่องนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งตัณฑเองไปวินาบาทใช่ไหมพอไปวินาบาทก็ไปเจอไอ้ขอทานเนี่ย ก็เลยเอออยากคุยกับขอทานบ้างเขาขอทกันใช่ไหมก็เดินมามันก็เลยเดินไปฉันก็เลยเดินไปเดินเดินเดินไปก็ไปไปคุยด้วยถามก็บอกเป็นยังไงเออเรามีอาชีพเหมือนกันไอ้คนคนขอทานนี่ก็เป็นคนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ด้วยนะแต่ก็ขอทานเอยเรามีอาชีพเดียวกันนะเฮยเขาก็ยิ้มเลยอ๋อ ก็เลยก็ก็เลยยิ้มแล้วก็ทักแล้วก็คุยด้วยแล้วถามเขาว่าวันนี้ได้เท่าไหร่เขาบอกได้ร้อยกว่าบาทแล้วก็เลยนึกวเอออยากจะรู้ว่าไอ้ขอทานเนี่ยมันชอบทําบุญไหมเนี่ยเก็เลยบอกว่าเอวันนี้ยังไม่ได้เลยใช่ไหมพอเพิ่งเดินออกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแบ่งกันหน่อยได้ไหมเนี่ย ไอ้เจ้านี้ก็บอกอุ้ยเรื่องอะไรก็ว่าเขาไม่ให้หรอกแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเรามีอาชีพเหมือนกัน้าจงเกลือกูนกันสิทำไมหวงกินอยู่คนเดียวเล่าเขาทำท่าฟังอยู่แป๊บหนึ่งเลเขากลัวใจเขาอ่อนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารีบตัดพุบทันทีก็บอกเรื่องอะไรก็ว่าเขาไม่ให้หรอกอยากได้ก็ไปหาขอเองสิวางั้นนะ ก็พยายามลุกโดยการเดินตามไปเขาก็เดินหนีเดินหนีเขาก็ชี้หน้าเลยนะชี้หน้าก็บอกมือไล่ไล่พระไปก็มานั่งนึกเห็นไหมเนี่ยหเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเป็นขอทานอยู่แล้วประสบความทุกข์อยู่แล้ว2อยังต์หนีอีกไม่ยอมให้เขาไม่รู้เหตุของการยากจนเหตุของความทุกข์ยากลำบากกันมาจากการไม่ให้ทาน ในกรณีอย่างนี้ไปพิจารณาเวลาเป็นนั่งหรือไปยืนคุยด้วยนี่เนะีต้องการอยากจะรู้สภาพจิตใจของคนขอทานเนี่ยนะที่เขามีสภาพจิตใจที่หวงด้วยแล้วก็มีจะบาปอักขรกรรมทั้งหลายเนะี่ยเขาถูกกระทําถูกอะไรแย่ๆมาหมดใช่ไหมสภาพจิตใจของเขาบอบช้ําด้วยสิ่งที่อักศลทั้งหลาย ย, ย่ายีของเขามากมายเนะี่ย โอกาสในการที่เขาจะเปิดใจของเขาให้เป็นกุศลถึงยากยากจริงๆบุคคลเหล่านี้น่ากรุณานะสัตว์นี้ประสบความทุกข์ยากลำบากแท้หนอขอจงพ้นจากความทุกข์นี้เถิดนึกอย่างนี้นะบางแห่งต่จารย์ใช้คาว่าอายังสัตโตทุกขามุจจะตุขอสัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดขอสัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดบางทีก็ใช้ประโยคสั้นๆนี่แหละครับในการเจริญเนะี่ย ขอสัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดเขากําลังมีความทุกข์อะไรอยู่เขาทุกกายก็ได้ทุกใจก็ได้ประสบความทุกข์ยากลําบากด้วยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเนี่ยขอสัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดขอสัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดเนี่ยไอ้ใจปากที่เราบริกรรมไปเนี่ยสภาพจิตใจเราต้องแผ่ไปด้วยนยสะสภาพจิตใจเกิดการหวั่นไหวเป็นกุศลจิตอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็แผ่ไปน้อไม่กษัตัดเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ เอเตสัตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดได้เคยแผลบ้างไหมความรู้สึกแบบนี้เออเนี่ยนะสเพสตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์เสียเถิดก็ได้ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์เสียเถิดผู้ปฏิบัติจงเพียรพยายามนะ เกล้ากล้าอาถายในการที่จะยังภาวนาอะไรเนี้ยยังสภาพจิตที่เป็นไปกับกรุณาอะไรเนี้ยให้เกิดขึ้นคือส่งจิตอันประกอบไปด้วยมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่นี่แหนละไปพร้อมกับบทภาวนาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าสัตว์ววผู้นี้ประสบความทุกข์ยากลําบากแท้หนอขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดหรือขอให้สัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์เสียเถิด เพางั้นเธอพอแผ่ไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งกรุณาปรากฏขึ้นในใจอย่างเด่นชัดถ้ายังไม่เด่นชัดชัดในใจปุ๊บ ก, ก็ยังหยุดไม่ได้วงั้นแล้วพยายามต่อไปจนสำเร็จถึงอัปนาโน่แหละจุดหมายปลายทางของการเจริญกรุณาน่ให้ให้เข้าถึงอัปนาคือความแนบแน่นความตั้งมั่นแห่งจิตนั่นแหละงั้นที่จุดหมายฉะนั้นตรงนี้ก็จงเจริญให้ติดต่อและต่อเนื่อง อาจเจรินได้ไหมหันไปที่สมณีนนแล้วเจริญกุณาได้ไหมได้ไหมจเจริญว่างไงอาจเจริญว่าไงอ๋อคิดจริงๆรึเปล่าใจคิดอย่างนั้นจริงๆไหมแผ่แล้วแผ่อีกได้ไหมแผ่ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ยังไหมนั่นแหละนั่นแผ่แล้วลทุกครั้งก็ช่วยกันแผ่อยู่ ทีนี้บอกวิธีด้วยไปแนะนำด้วยเข้าไปคลายเส้นให้ด้วยไปดูแลเนี่ยเนี่ยคอยช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะเพราะกรุณานี่งแหละกรุณาทำได้ไหมแบบนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องคุณสมน้ำหน้าเออไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเคยไม่เคยคิดอย่างงี้ไหมไม่เคยเลยนะ แล้วกรุณาเนี่ยเกิดขึ้นแบบจับจิตจับใจไหมจิตใจหวั่นไหวจะต้องหาคนทางช่วยให้ได้เคยคิด ข, ขึ้นขนาดนั้นไหมหรือว่าเฉยๆแค่กรุณาเฉยๆ่อได้เห็นใจครับแค่นี้อย่างนี้กรุณาเกิดอ่อนแอมากต้องเจริญแล้วเจริญอีกนะแล้วแล้วแล้วเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เพียรพยายามถ้าผู้ปฏิบัติไม่ได้พบเห็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือคนเข็นใจ ที่จะนำมากระทําให้เป็นอารมณ์กรรมฐานพึงเจริญกรุณาในไปบุคคลประเภทที่สองก็คือคนที่มีความสุขความเจริญแต่มกรกะ ท, ทําทุจริตเนี่ยให้เจริญไปหาคนประเภทเช่นคนบางคนเนี่ยเห็นบางทมงีมองไปที่พระเนนก็ได้นะมองไปที่ญาติโยมก็ได้ที่เขากำลังประสบความสุขอยู่เออมีเยอะเลยนะคนที่เขากำลังประสบความสุขแต่เป็นคนมักทํรมทุจริตทาผิดอยู่เรื่อยเลยก็ เ, ยเห็นไหม ก็เห็นหรือไม่เคยเห็นไม่เคยเลยมีกก็คนที่เขาเป็นคนดีทั้งหลายอะไรที่ดีในสายตาทั่วๆไปนี่แหละแต่มักจะไปทำทำความชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีประทรมกายยทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างนะโดยยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนที่กำลังถูกประหารชีวิต ซึ่งวิธีการปฏิบัตินั้นมีปรากฏในคัมภีวิสุทธิมัคที่ท่านแสดงไว้นะถามว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบอกว่าอุปมาเหมือนกับพวกราชบุรุษจับโจรพร้อมทั้งของกลางก็นําไปแสดงต่อพระราชาเมื่อพระราชาเนี่ยมีพระราชาองค์การให้ประหารชีวิตกมัดโจร น, นั้นมาแล้วก็เอามาเคียเเาาเค่ยนก่อนเอาโจรนั้นมาเคี่ยนก่อนขณะนั้นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วก็พากันให้ของเคี้ยวบ้างของรับประทานบ้าง ดูคล้ายๆเป็นคนที่มีความสุขใช่ไหมเห็นคนนี้กําลังถูกเครียดพอถูกเครียนเบ็ดเสร็จแล้วปอกมามนุษย์ไปเหน็นกันก็เอาของอาหารไปให้กินย้อนอาหารไปให้กินเขาก็กินใหญ่แล้วก็ทุกข์นะเออเราดูอย่างนี้แล้วเหมือนเขากําลังมีความสุขนะเห็นเขากินอย่างอะไรอร่อยตอนที่ยังไม่ถูกเครียนแต่พอได้เวลาเดี๋ยวก็ถูกเครียนไปเรื่อยๆ <c oughs> คนที่เพียบพร้อมไปได้วยพอค่าสมบัติก็จริงอยู่ แต่ไม่มีใครเลยที่จะสำคัญว่านะโจรนี้มีความสุขมีพอคา่าสมบัติมากมีแต่จา ก, กรุณาและสงสารเขาสดวกก็คือว่าคนที่ควรเจริญกรุณาเป็นอันดับอคนที่ควรเจริญกรุณาเนี่ยก็คนลักษณะนีน้คนที่ประสบเขาประสบความสุขอยู่ก็จริงมียศมีฐานันดรที่สูงสุดสูงส่งก็ดีแต่เขากำลังทำชั่วอยู่เหมือนโจร น, นี่แหละเหมือนกับการที่พระราชา หรือว่าจับโจรมาได้นี่แหละแต่ยังไม่ถึงตอนนั้นใกล้จะประหารชีวิตแล้วถูกเคี่ยนถูกตีอยู่แต่ประชาชนสงสารเขาโยนอาหารไปให้เขากินเนี่ยเหมือนกันเออเราเห็นคนที่กําลังทํากรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยเขาจะดูแล้วเนี่ยได้ดีมีสุขอยู่เฉพาะที่เราได้เห็นอยู่เท่านั้นแล้วนะเฉพาะที่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าลมหายใจเขาขาดเมื่ อ, อไหร่เขาจะเดือดร้อนไหมเนี่ยสามารถจเจริญกรุณาได้อย่างนี้ สรุความว่าคนที่ควรเจริญกรุณาเป็นอันดับแรกคือตนเองส่วนคนที่ควรเจริญเป็นง่ายในระดับที่สองก็คือมีสองจำพวกคนทุกข์ยากเห็นใจกับคนที่มีความสุขแต่ทำบา ป, ปรกรรมทำกรรมชั่วได้แล้วนะอารมณ์ในการที่จะเจริญลำดับที่สองการเจริญกรุณาไปในบุคคล น, นั้นเป็นที่รักเ <c oughs> <laughs> มื่อผู้ปฏิบัติต่สามารถเจริญกห้ตนเองได้แล้วแปลว่า มีสภาพจิตใจที่ดีและแข็งแรงแล้วด้านกรุณาจิตแข็งแรงดีแล้วทีนี้เวลาจะเจริญกรุณาเพื่อให้สําเร็จเป็นสกีพยานเป็นอันดับแรกเมื่อเจริญกรุณาไปในบุคคลทุกยากเขินใจดังที่ได้กล่าวหรือคนที่มีความสุขแต่ชอบทําบาปรกรรมทำกายยัุจริตรวจีทุจริตมโนยัุจริตตลอดเพื่อให้กรุณาจิตเกิดขึ้นได้ง่ายดังนี้แล้ว ก็จนสามารถยังจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นได้ก็ต่อไปก็เจริญกรุณานี่แหละไปในบุคคลนันเป็นที่รักต่อไปในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเด็กก็ต้องพิจารณาถึงความทุกข์ยากลําบากของคนที่เป็นที่รักตรงนี้ท่านกล่าวไว้ว่าพึงพิจารณาเลือกเอาส่วนเห็นความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของคนที่เรารักเนี่ยซึ่งปรากฏเป็นอยู่ในชาติปัจจุบันหรือที่จะเกิดในชาติต่ อ, ตอไปนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ แล้วก็เจริญกรุณาไปในบุคคลที่เรารักเมื่อได้ระลึกถึงความทุกข์ยากลําบากเป็นต้นอันเป็นเหตุให้เกิดความสงสารใคร่ปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์อันเป็นเหตุใกล้ต่อการให้เกิดกรุณาได้แล้วต่อจากนั้นก็ให้เจริญกรุณาโดยภาวนาว่ากิจฉังวตายังปิยปุคารโออาปันโนอัปวยวนามะอิมมหาทุกขามุจเจยะบุคคลผู้เป็นที่รักนี้ประสบความทุกข์ยากลําบากหนอ ขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดบุคคลนั้นเป็นที่รักนี้ประสบความทุกข์ยากลําบากหนอขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดนี่จเจริญการุณาไปในบุคคลที่เรารักเราจเจริญให้กับบุคคลที่ ร, รักพ่อแม่ก็จเจริญได้เลยใช่ไหมล่ะเช่นพ่อแม่ประสบความทุกข์เห็นได้ชัดคือทุกอะไรหรืึไหม คนที่เรารักเนี่ยเขาทกจากความไม่รู้ทุกจากกิเลสตอนนี้เขาถูกราคะเนี่ยครอบงำเขาอยู่เขากําลังถูกความกําหนัดยินดีทั้งหลายครอบงำแล้วเขาทากิจกรรมใดๆเป็นไปตามหน้าของราคะบางคนก็โทรสะครอบงำบางคนก็โมหะครอบงำหรือชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ฟังพระสัตย์ทำรรเลยเนี่ยเนี่ยคนที่เรารักทั้งหลายเหล่านี้เขาจะเดือดร้อนไหมเนี่ย ปัจจุบันก็เดือดร้อนอยู่แล้วทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรตายก็ลำบากอยู่ก็แย่เยจเริญกรุณาได้ง่ายที่กรุณาเนี่จเจริญยะไม่ยากเลยครับกรุณาเนี่ยไม่ยากเลยในสถานการณ์ปัจจุบันนี่นะถ้ารู้พระธรรมสักหน่อยการจเจริญกรุณาไม่ยากเลยเต็มไปหมดให้สังเกตดูนะเต็มไปหมดจริงไหมจริง มองไปที่ไหนก็น่ากรุณาหมดแม้ตนเองยังหน้ากรุณาเลยแล้วคนอื่นเหลือหรือใช่ไหมละ่ะเนี่ยนั่งนั่งอยู่เห็นหมดอยู่ในกุฏิเนี่ยมองไปที่ไหนน่ากรุณาหมดกะล่องกระแลงกันทั้งนั้นใช่ไหมละ่ะเดี่ยงกันเปแถวเป็นแนวหมดหน้ากรุณาหมดสารพัดโรคบงคลก็อะไรนะถ้าอย่างเจริญกรุณาใน ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยโรคจนเงี้ยน่ากรุณาไหมโรคเจ็บเนี่ยน่าเจริญกรุณาไหมโรคงโง่เนี่ยน่าเจริญกรุณาไหมจนเจ็บโง่กันเป็นแถวหมดเนี่ยโอ้โหกรุณาเกิดขึ้นมากทำยังไงเขาจะหายจนขอยเขาพ้นจากความจนนะคอยพ้นจากความเจ็บใค้ได้ป่วยนะให้พ้นจากความโ ง, โง่ความหลงความงมงายนะอย่างเงี้ยโอ้ยกรุณาก็เกิดเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมจริงไหมจริง จะเลไม่ยากเลยกรุณาเนี่ยบุคคลผู้เป็นที่รักที่ประสบความทุกยากลําบากเนาะขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดอายังปียปุกะโรทุกขามุจจตตุขอบุคคลผู้เป็นที่รักนี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดเราเห็นความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์กายเถิดให้พ้นจากความทุกข์ใจเถิดให้พ้นจากความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะให้เขาประสบความสุขเถิดเนี่ยเอเตปียะปุกะราทุกขามุจจตตุ ขอบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดนั่นผู้ปฏิบัติก็เพียรพยายามภาวนาซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งจนจิตเป็นสมาธิประกอบไปด้วยมหากรุณาที่เป็นไปกับกุศลหรือจนกว่านั่นแหละพุ่งเขาไปจนถึงจิตที่เป็นนบนาได้เมื่อใดเนี่ยจุดหมายแล้วนี่คือกรุณาจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้นี่ลำดับที่สอง ลำดับที่3ก็คือเจริญกรุณาในบุคคลที่เป็นกลางๆเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจริญกรุณาในบุคคลที่เป็นที่รักอย่างนั้นแล้วก็ย่อมสา ม, มารถบรรลุอัปนาหรือจิตประก อ, ะกอบไปด้วยกรุณาอย่างแนบแน่นแล้วเนี่ยอันดับต่อไปนั้นก็เจริญกรุณาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆนั้นต่อไปเออในการปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องเจริญกรุณาพิจารณาถึงความทุกข์ถึงความยากลําบากของบุคคลที่เราเป็นกลางๆเนี่ย ออท่านบอกว่าเพิ่งพิจารณาเลือกเอาส่วนเห็นความทุกข์ยากนะของบุคคลที่เป็นกลางๆความเดือดร้อนของเขากับบุคคลที่เราเป็นกลางกลาที่เราไม่รักไ ม, ไม่ไม่ชังเนี่ยซึ่งปรากฏเห็นอยู่ในชาติปัจจุบันซึ่งจะเกิดแก่เขาในชาติต่ อ, ต อ, ตอไปด้วยเมื่อแต่ร ะ, ะลึกถึงความทุกข์ยากลําบากเป็นต้นอันเป็นเหตุให้เกิดความสงสารไข่รปรารถนาพ้นจากความทุกข์อันเป็นเหตุให้ใกล้ต่อการให้เกิดกรุณาได้แล้วก็จเจริญกรุณาโดยภาวนาบอกว่ากิจชัง วตายางมัชชตาปุคาโลอาปันโนอเปวะนามะอิมหาอิมมัมหาเนี่ยทุกขามุจเจยะบุคคลผู้เป็นกลางๆงนี้ประสบความทุกข์ลำบากหนอขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดบุคคลผู้เป็นกลางๆนี้ประสบความทุกข์ลําบากเนอขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดก็บริกรรมไปนะเรือยังมัชชตาปุคาโลทุกขามุจจตุก็ได้ขอบุคคลผู้เป็นกลางๆงนี้จงพ้นจากความทุกข์เถิด ขอบุคคลผู้เป็นกลางๆนี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดบริกรรมนี้ได้ไหมเห็นก็ขอให้บุคคลที่เป็นกลางๆนี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดขอบุคคลที่เป็นกลางๆนี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดเอเตมัชตาปุการาทุกขามุจจนตุก็ได้ขอบุคคลผู้เป็นกลางๆเหล่านี้ย้ำลงไปเหล่านี้ด้วยจงพ้นจากความทุกข์เถิดขอให้บุคคลผู้เป็นกลางๆเหล่านี้จงพ้นจากความทุกข์เถิดผู้ปฏิบัติก็ต้องเพียรภาวนา ทำแผ่เมตตาเออเปิดขอไปพกักแผ่กรุณาเนะี่ยซ้ำแล้ ว, ซ, ลวซ้ำเล่าร้อยครัง้งพันครั้งนี่แหละจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยกรุณายิ่งใหญ่คือกรุณาบังเกิดขึ้นในใจจนแนบแน่นนี่ก็ประสบความสำเร็จในอารมณ์ของบุคคลผู้เป็นกลางๆต่อไปก็ในบุคคลที่เป็นศัตรูของเจริญยากยางนี่ยเนี่ยการเจริญกรุณาไปในบุคคลผู้เป็นศัตรูกันเนี่ย ในลำดับที่4นี่แหละเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยจเจริญกรุณานีภาวนาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆจนสามารถบรรลุนะเข้าถึงจิตที่ประกอบไปด้วยกรุณาที่แนบแน่นได้แล้วก็ขวนขวายจเจริญกรุณาในบุคคลที่เป็นศัตรูต่อไปในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องทำจิตนั้นให้อ่อนก่อนอยากนิดนึงที่จะไปกรุณาศัตรูหรือคนที่เป็นเวรีบุคคลกับเราเนี่ยโอ้ย ต้องฝึกแล้วฝึกอีกดังที่ได้กล่าวในเมตตานี่ยแหละทําจิตให้อ่อนจิตเนี่ยเวลามันแข็งเนี่ยไปไม่ได้เขาเรียกไม่เป็นกรรมนิย่เนี่ยไปไม่ได้เลยคําว่ากรรมนิย่นี่เหมาะแก่การเอาไปใช้งานนีจิตที่ไม่เหมาะกับการเอาไปใช้งานเป็นจิตที่แข็งกระด้างดัดยังไงก็ไม่ไปคิดยังไงก็ไม่ไปลองรู้เกติดูนะเอาเงี้เอเเ อ, เเอเจะน้อมจิตไปในกุศลน้อมไปในเนคขมะยากไหม แหลว่าจิตมันแข็งเนี่ยจิตไม่เหมาะจิตไม่ควรต่อการเอาไปใช้งานมันน้องเป็นเล็กขมา่าแต่ท่านไปในกามง่ายไหมโอ้โหไปในกามนี่มันเป็นของมันก็ทื่อไปในเรื่องกาล ม, มาคุณนี่แหละคิดในเรื่องกา ม, มาวิตกอยู่นั่แหละคิดเรื่องความรากักความปรารถนาดีเกือ้อธรช่วยให้รักชักให้ไร่พาใจกําหนัด ไ, ไปเรื่องเนี้นะตึกในเรื่องกามเนี่ยโอ้ยง่ายจังนอนอยู่ยังฝันถึงมันเลยกามเนี่ย เคยฝันนึงเนกข ม, มาไมเคยไหมฝันว่าได้บวชเคยหฝันว่าไหว้หพระสวดมนต์เคยหมฝันว่าเคย เ, เคยให้ทานเคยฝันหฝันว่าไปปล่อยปลาเคยไหมไม่เยไปลอกมันจะตรงกันข้ามนี่นแหละไม่แปลว่าจิตเนี่ยมันแข็งมาก ไปแต่ร่องของมันอยู่นั่นแหละไปแต่เรื่องของการรมไปในเรื่องพยาบาทไปในเรื่องการเบียดเบียนอยู่นั่นแหละมันเพราะมันไม่ได้ฝึกคิดที่จะเป็นเนกข ม, ม่าวิตกอพยาบาทวิตกเอาหิงสาวิตกน้อยมากเราไม่เคยถูกฝึกอย่างนี้เลยจิตมันก็แข็งไปในเรื่องการรมถืออยู่นั่นแหละไม่เหมาะแก่การ น, น้องก็ไปนเนกาม่าน้องฝึกดีเฝึกให้อ่อน พบมันอ่อนน้อมไปในเนคข ม, ม้าเนี่ยถามว่าเวลาพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบารมีเนคข ม, มา้าปุ๊บเนี่ยท่านคิดไ่าเราจะบำเพ็ญท่านจะบำเพนน็ญเนคข ม, ม้าเพียงห้าวันแล้วจะสึกท่านคิดอย่างนี้ไหมพระโพธิสัตว์เนยท่านคิดยังไงอ่ะเออแต่พวกเราอะพวกเราคิดยังไงเนื้อและเลือด จะเหืออแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าจิตไม่น้อมไปในเนคขมมะอย่างแข็งแรงหรือถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจกไม่ยอมเอาผ้านี้หลุดออกจากกายนี้เพื่อคิดขนาดนั้นไหมเห็นไหมพวกเราเนี่ยจิตแข็งหน้าโอ้หน้าเขาเรียกว่าหน้ากระลุนน้ใช่ไหมหน้ากรุ น, มนานมากมากเนี่ยจิตไม่อ่อน ไม่เหมาะไม่ควรคมจิตที่มีภาวะ น, นี่แหละสงสารมากปรารถนาพ้นจากความทุกข์ในบุคคลที่เป็นกลางกลางให้คร่องมาตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นความสงสารอย่างธรรมดาแล้วก็เพียนเจริญกรุณาไปในบุคคลที่เป็นศัตรูต่อไปเพื่อให้ความรู้สึกที่เป็นศัตรูต่อกันน่ะหายกลายเป็นภ า, านวะ ท, วที่จิตที่เป็นกลางกลางแล้วก็ยกขึ้นสู่จิตที่มีความสงสารแบบธรรมดาพยายามพัฒนาจิตโดยการเจริญกรุณาไปยังบุคคลที่เป็นศัตรูต่อกัน ท่านก็กล่าวว่าพิจารณาเอาส่วนทุกข์ของบุคคลที่เป็นศัตรูที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในชาติปัจจุบันที่เกิดแก่เขาในชาติต่ตอๆไปด้วยนะแล้วก็เจริญกรุณาว่ากิจฉังวัตตายังเวรีภุกรอาปนโนอาเปวานามะอิมมมหาทุกขามุจเจยยะบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้ประสบความทุกข์ยากลําบากหนอขอจงพ้นจากความทุกข์เถิดบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้ประสบความทุกข์ยากลําบากหนอขอจงเปนพ้นจากความทุกข์ลาบากเถิด อายางเวรีปุกโรทุกขามุจจตตุขอบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้จงพ้นจากทุกเถิดขอบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้จงพ้นจากความทุกเถิดก็แผ่บ่อยๆเอเตวีเวรีปุกคาราบทุกขามุจจตตุขอบุคคลผู้เป็นศัตรูเหล่านี้จงพ้นจากความทุกเถิดขอบุคคลผู้เป็นศัตรูเหล่านี้จงพ้นจากความทุกเถิดผู้ปฏิบัติก็เพียงไปภาวนาซ้ําแ ล, ลา้วซ้ำเล่าร้อยครั้งพันครั้งจนกว่าจะเกิดสมาธิ ที่ประกอบไปได้วยการุณาหรือจนกว่าจะบังเกิดจิตอ่อนโยนแนบแน่นแล้วก็เมื่อผู้ปฏิบัติพยายามบำเพ็ญกระทำให้ดังกล่าวแล้วถือว่าเป็นผู้กระทำกรรมที่บุคคลกระทำได้โดยยากยิ่งการเจริญการุณาในศัตรูเนี่ยถ้าความโกรธความแค้นเกิดขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติโดยทํานองที่แสดงไว้ในเมตตากลับใหม่เลยต้องย้อนกลับไปเจริญเมตตาให้กับตนเอง จนแนบแน่นแล้วก็เจริญกรุณาให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเจริญกรุณนาให้กับบุคคลที่เป็นคนดีทั้งหลายประกอบกรรมไกลทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็ไล่ไปถึงบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเป็นกลางๆแล้วก็ถึงย้อนกลับไปเจริญบุคคลที่เป็นสตรูเงี้ยนะนี่เป็นไปลักษณะอย่างเนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็กลับไปพิจารณาตามพุทธโอวาทนะ ดังที่ได้กล่าวไว้ในเมตตาเพื่อจะทําลายโทสะทําลายอากุศลในใจของตอนเองตั้งแต่ระลึกนึกถึงพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เปรียบสปะดุจดังเรื่อยนั่นแหละนีถ้ามีคนเอาเลื่อยมาตัดเราเนี่ยนะให้ขาดสองท่อนเนี่ยการมีจิตคิดประทุษร้ายบุคคลที่กำลังเอาด้วยมาเลื่อยเอา ว, าวิวาอยู่นั่นชื่อไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสันผู้ปฏิบัติเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีคู่เวรกันนะไม่เคยมีศัตรูเลยเนี่ย ที่ทําความเสียหายเพราะเป็นชาติเชื้อมหาบุรุษมีอัธยาศาัยกว้างใหญ่เพสรศอย่างระดับพับโพธิสัตว์อย่างเงี้ยโอบคุคคลเหล่านี้ท่านก็ไม่ต้องเจริญบคุคคลที่เป็นศัตรูเพราะท่านไม่เคยมองหินกลาเป็นศัตรูเงี้ยเป็นต้นการเจริญกรุณาในคนที่ทําความดีและมีความสุขเนี่ยการเจริญกรุณากรรมฐานที่แสดงมาเนี่ยเป็นการเจริญในบคุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากในชาติปัจจุบัน และคนที่มีความสุขในชาติปัจจุบันแต่จะได้ประสบความทุกข์ในชาติหน้าลำดับต่อไปนี้แสดงวิธีการเจริญกุลนาน ไ, ไปในบุคคลที่มีความสุขและคนที่กำลังทำกรรมดีไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆเลยเนี่ยสำหรับบุคคลผู้มีความสุขอย่างเพียบพร้อมและทําแต่คุณความดีเนี่ยเราจะเจริญกุณานได้ไหมถ้าเจริญได้จะเจริญยังไงได้ไม่ได้เจริญได้ไหรือเปล่าได้ เมื่อผู้ปฏิบัติเห็นประสบบุคคลผู้มีความสุขเพียบพร้อมและทำแต่คุณความดีมาโดยตลอดเมื่อผู้ปฏิบัติจะเห็นเขาประสบกับความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหม <_ c oughs> เขาก็พ่อตายก็ได้แม่ตายก็ได้พี่ตายน้องตายเนี่ยนะเขาก็ต้องสูญเสียแ ล, แล้วมนุษย์เกิดมาใช่ไหมทั้งทั้งที่เขเป็นคนดีใช่ไหมใช่เออตอนนี้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น พรกข้าศัพทั้งหลายของเขาต้องเสียหายเนี่ยแม้ไม่เห็นด้วยตาเพียงแต่ได้ทราบข่าวเช่นนี้ก็ตามหรือพิจารณาถึงความทุกข์ในสังสารวัฏทุกในวตาสงสารที่เขาจะได้รับก็สามารถเจริญกรุณาไปในบุคคลเหล่านั้นได้ในคำพิ้วสุติมรักก็แสดงว่าท่านผู้นี้นับว่ายังเป็นคนที่มีทุกข์อยู่นั่นเองเพราะถึงแม้เขาจะไม่มีความสูญเสียอะไรเลยก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นคนที่ยังไม่ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์ เขายังไม่พ้นจากอบายทุคติวินิบาต์นรกต่าใดยังไม่พ้นจากสังสารวัตรต่ใดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่าใดก็าสามารถเจริญกรุณาได้ทางนั้นใช่ไหมสามารถเจริญได้เข้าใจอย่างทีนี้วิธีการเจริญกรุณาที่จะเข้าถึงสัมมเพทะสัมเพทะเนี่ยสีมาสัมเพท ะ, ม เ, ทะเมื่อผู้ปฏิบัติได้เพียรพยายามเนี่ยบรรเทาความโกรธแค้นในศัตรูให้ระงับลงโดยอุบายต่างๆตามที่ได้แสดงมาเนี่ย จิตของผู้ปฏิบัติแผ่ไปน้อมไปในศัตรูคู่เวรนั้นโดยกรุณาภาวนาเกิดขึ้นเช่นเดียวกับบุคคลที่เป็นที่รักเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัติก็ต้องเจริญกรุณาบ่อยยิ่งขึ้นทํากรุณาให้เป็นสีมัสามเพทะก็คือทําให้จิตเสมอกันในบุคคลสี่จำพวกกรุณาตนเองกรุณาบุคคลที่เรารักกรุณาคนที่เป็นกลางๆกรุณาคนที่เป็นศัตรูเนี่ยมีความเท่ากันเลยนะไม่มีเขตดแดนไม่มีเครื่องกั้นเลยเนี่ยเป็นไปในทุกบุคคลเลย ถ้ามีคนบอกจะมาฆ่าใน4บุคคลเนี่ยหเรา2คนที่เป็นที่รัก2 3บุบคคลที่เป็นกลางกลางสศัสตรูเนี่ยนะมาชี้บอกว่าเนี่ยให้เราตัดสินว่าจะฆ่าใครถ้าเรามีใจน้อมว่าเอาฉันไปฆ่าเธอเนี่ยยังถือว่าไม่เป็นกลางนะจนพิจารณาดูแล้วมันเสมอกันหมดเลยเนี่ยเพางั้นจะเสมอกันหมดเลยแยกไม่ออกเลยเนี่ยไม่ใช่แยกไม่ออกเพราะโมหกินนะแยกไม่ออกเพราะว่าจิตนี่เข้าถึงความดุรยภาพดุรยภาพคำว่าสีมาสามเพอก็หมายถึงการทำลาย ขอบเขตแห่งกรุณาคือไม่ทําการแบ่งแยกว่าตนเองบุคคลที่รักบุคคลที่เป็นกลางๆหรือคนที่เป็นศัตรูเนื่องจากบุคคลสี่จำพวกนี่เป็นสีมาคือเขตแดนที่จะแผ่ไปกรุณาไปถึงเมื่อแรกเจริญกรุณานั้นเจริญไปได้ทีละเขตทีละเขตเวลาพระกรุณามีกําลังมากขึ้นภาวนามีกําลังมากขึ้นจิตก็เห็นเสมอกันในบุคคลสี่จำพวกไม่มีการแยกเขาแยกเรานี่ถือว่าชัดแล้วพอได้สีมาสามเพศปุ๊บ อันนี้แปลว่าได้ระดับสมาธิระดับพื้นฐานได้ดีแล้วเจริญกรุณาต่อไปเมื่อบุคคลเจริญกรุณากรรมฐานถึงสีมะสัมเพธาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็จงทําสีมะสัมเพทาให้เป็นนิมิตของกรรมฐานพยายามทําให้เจริญขึ้นเพียรพยายามบากบันก้าวไปทําให้มากยิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุถึงอัปปนาสมาธิได้จากอุปจาระมันเป็นผลจากการ ปฏิบัติกรุณานี่แหละโดยไม่เป็นการลำบากอะไรเลยโดยภาวนาวิธีเท่าที่เป็นไปกับผู้ปฏิบัติกรุณากรรมฐานเนี่ยสามารถที่จะบําเพ็ญจนสามารถบรรลุปฐมฌานเป็นต้นได้ที่นี้คําว่ากรุณาฌานก็หมายถึงฌานที่ปรากฏเกิดขึ้นโดยการเจริญกรุณาเนี่ยผลของฌานก็คือได้รับความสงบแห่งจิตใจเหมือนการเจริญกรรมฐานอื่นๆแต่ลักษณะของกรุณาเนี่ยภาวนาเนี่ยคือสภาพจิตที่ประกอบด้วยกรุณาเนี่ย ความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเป็นต้นที่แผ่ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่าทุกทิศทุกสถานที่นี้เรียกว่ากรุณาชาญนะก็คือบุคคลผู้ได้กรุณาชาญเนี่ยพระเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล4จําพวกมีปรากฏในโลก4จําพวกเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นต้นเมื่อทํากาละก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชัน้นพรมกายิกา บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปทิศหนึ่งอยู่เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นสุดทาวาดอันนี้หมายความว่าบุคคลที่เป็นปานาคารนะทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ได้กรุณาปฐมฌานแล้วก็ต้องเจริญกรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยใช้นิมิตสีมาสัมเพสเนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานเพียรทาให้มากยิ่งขึ้นก็จะได้บรุชาญขั้นสูงเป็นไปตามลาดับในวิสุทธิมรรค ก็กล่าวถึงในจตุกนายฌาน4นะบรรลุปฐมฌานแล้วก็พัฒนาต่อไปถึงทุติยฌานจะถึงตัติยฌานเป็นขั้นสุดท้ายไม่ถึงจตุตฆฌานแต่ถ้าเป็นปัญจมฌานนะคือฌาน5แล้วก็ได้บรรลุถึงตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานถึงจตุตฆฌานเป็นขั้นสุดท้ายนักรุณาเนี่ยไม่ถึงฌานที่5เพราะฌานที่5เนี่ยเป็นอุเบกขาเอกคตากัลปนาเขาได้แค่สมณัต แต่กรสมมนะเหตุที่เจตุระชานเนี่ยจตุกนาญปัญจมชาญในปัญจมานายเนี่ยมีองค์ชานเป็นอุเบกขาเอกตาดต่างที่ได้กล่าวแต่กรุณาเนี่ยประกอบกระสมมนัตนั้นสังเกตตรงนี้ได้ไม่ยากแล้วถ้าหากใจที่เป็นกรุณาเนี่ยแล้วก็จะแผ่ไปแล้วในขณะนั้นจิตก็จะเป็นสมมนัตตัวอารมณ์เป็นทุกข์แต่จิตเป็นสุขจิตประกอบไปได้วยสมมนัตชื่นใจสุขใจที่ได้กรุณาเขา ชื่นใจสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเขาได้ขวนขวายเต็มที่ถึงแม้จะช่วยเขาไม่ได้แต่ดีใจสุขใจที่ได้ยังกรุณานั้นให้เกิดขึ้นในใจของตนเองได้เออบิ่มได้เปีียมลน้นอย่างนี้เป็นต้นเนะนี่กรุณาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็เป็นการเจริญกรุณานี่แหละมีสามวิธีแหะอโนทิสาปรณา2โอทิสาปรณาสาทิสาปรณา แผ่ไปโดยไม่เจาะจงกับแผ่ไปโดยเจาะจงแล้วก็แผ่ไปโดยทิศทั้งหลายนี่ก็รู้าจะเป็นอย่างเหมือนเมตตาเลยอนุทิสาพรรณนาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็คือแผ่ไปในสัตว์เอยในปางนาะในภูตาบุคคลบุคคลในบุคคลแล้วก็ในบุคคลที่มีอาถรพทิสาพราณาแผ่ไปโดยเจาะจงแผ่ไปในสตรีบุรุษภริยาเจ้าอนารยะบุคชนเทวดามนุษย์และสัตว์วินิปาติ์กะ ทิศสาภารณะแผ่ไปในทิศแผ่ไปในสัตว์ในปาหน้าในภูตะในบุคคลผู้มีอัตภาพสตรีบุรุษพริยเจ้าอนารยาชนก็คือแล้วก็เทวดามนุษย์แล้ววิธิปาฏิกะในทิศทั้งสิบเลยทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนแผ่ไปทั่วเลยอันนี้แปลว่าสภาพจิตเนี่ยเข้าถึงสีมาสัมเพทะแล้วนะ แล้วก็สามารถเข้าถึงฌานแล้วก็แผ่ไปไดนะ้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลแต่ยังไม่ได้ฌานไปแผ่ไปทั่วนี้อย่างพวกเราก็เอามาท่องกันเนี่ยท่องเพื่อให้จิตคุ้นเคยแต่ก็แผนะ่ได้ยากอันเนี่ยได้ยากใจมันไม่ค่อยไปมันได้แต่ปากปากไปใจไม่ไปเคยเป็นไหมขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เนาะเนี่ยมันไปอย่างเงี้ยไปได้ปากแต่ใจมันไม่ยอมไป โอทิสาพารณาการแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงอาการ5กากับสเพสตตาทุกขามุจจนตุขอสัต okay. ว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดบางทีท่องได้อย่างเงี้ยใจไม่ไปเคยเป็นไหมสเพปานาทุกขามุจจนตุขอปานาทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัตว์ที่มีปานากัตริย์ที่มีลมปานเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกสเพปูตาทุกขามุจจนตุภูตาก็คือ ขันห้านี่แหละขอพูดทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกสะเพปุกกราทุกขามุจจนตูขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสะเพอัตตาภาวะปริยาป น, นาทุกขามุจจนตูขอสัตว์ผู้เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดเนี่ยแผ่ไปนเนี่แล้วก็โอธิสาปราณาก็แผ่โดยเจาะจงในเจ็ดเจจำพวกก็ สัพพาอิทิโยทุกขามุจจนตูขอสตรีทัง้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสเพปุริสาทุกขามุจจนตูขอบุรุษทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสเพอาริยาทุกขามุจจนตูขอพริยาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสเพอะนริยาทุกขามุจจนตูขอปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสเพเทวาทุกขามุจจนตูขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด สเพมนุษยาทุกขามุจจนตุขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสเพวินิปาติกาทุกขามุจจันตุขอวินิพันธิกาทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดทนี้ก็อันนี้แผ่ไปในบุคคลที่เจาะจงทีนี้ถ้าแผ่ไปในทิศโอ้โหทิศทั้ง10บนี่ยากเลยที่จริงเนี่ก็ท่องกันวิธีการแผ่ไปในทิศก็คือเอาอนโนทิโสบุคคลห้าจำพวกโอทิโส บุคคล7จ็ดำพวกรวมเป็น12แล้วก็เอาบุคคลทั้ง12บนี้ตั้งไปในทิศแล้วก็แผ่กันไปในบุคคล12บสอจำพวกที่อยู่ในทิศทั้ง10บยังเรียกว่าแผ่ไปโดยอาการที่ภาวนา10อาการนี่แหละว่าโดยบุคคล 12. สิบสองสเปปุริสเพปุรัติมาญาที่สายาสัตตาทุกขามุจจนตุเนี่ยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันออกจงพ้นจากทุกเถิดสเพปัจชิมายะ ที่ศายะสัตตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันตกจงพ้นจากทุกเถิดสเพอุตราทิศายะสัตตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเหนือจงพ้นจากทุกเถิดนี่แพรไปด้วยนะจะเพทักขินายะท่ศายะสัตตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศใต้จงพ้นจากทุกเถิดสเพปุรติมายะอนุทิศายะ ส, ส, ส, ส, สัตตาทุกขายมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจงพ้นจากทุกเถิดสเพปชิมายะนุทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันตกเฉียงใต้จงพ้นจากทุกเถิดสเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันตกเฉียงเหนือจงพ้นจากทุกเถิดสเพทุกขินายะทักขินายะนุทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุ ขอสัตว์ทั้ ง, ง, ออ ata, งเเหาายยาาาลายทั้งปวงในทิศตะวันออกเียงต้จงพ้นจากทุกเถิดสเพเหติมายะทิสายะสตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงพ้นจากทุกเถิดสเพอุปริมายะทิสายะสตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงพ้นจากความทุกเถิดก็แผ่ไปแบบนี้แหละในในในทิศโดยอาการ10ในบุคคล11บเอจำพวกที่เหลือก็เป็นอย่างเงี้ยนะสเพปานากระแผ่ไป12 สัพเพวิปปัติกาผู้ปริบจงนํามาจเจริญ น, นํามาแผ่ไปเนี่ยสัตตาปานาภูตาภุกราอัตตาภาวะปริยาปนาอิติโยปุริสาอริยานริยาเทวามนุษย์วิิปาติกาครบ12จําพวกเลยเนี่ยจเจริญไปให้ครบในลักษณะอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกว่าจเจริญอะไรจะเจริญกรุณาโดยหลักการจริงๆเนี่ยเขาจเจริญให้ฌานเกิดก่อนให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นในฌาน แล้วก็แผ่ไปตามทิศทั้งหลายเหล่านี้มันจะมันจะมีพลังแต่ว่าที่ทํากันโดยทั่วไปในยุคปัจจุบันก็แผ่แค่ยังกาลุณาก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่เออไม่ค่อยมีกําลังเพราะว่าการที่ทําไม่สามารถไม่ได้ทํากรุณาให้เกิดขึ้นจนชัดเจนแต่ถ้าเรานะถึงแม้ไม่สามารถทําให้ฌานาจิตเกิดได้แต่ก็ทําจนชํานาญแล้วก็ฝึกแผ่ไปในทิศทั้งหลายได้ไหมได้เป็นกุศลไหม เป็นแล้วก็ทำให้จิตอ่อนโยนได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ด้วยหลักการจริงๆดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเขาทำกรุณาชาญเกิดจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นมันก็มันไม่ได้ฝนสภาพจิตใจไม่อ่อนโยนแต่ว่าขอให้ทำนะฝึกเอาไปทำกันจริงๆ อะไรเป็นปัจจัยท mm ําให้เราเจริญเมตตาเจริญกรุณากันไม่ได้อะไรเนาะไม่เคยคิดที่จะทําแล้วก็ไม่รู้ขั้นตอนการทำด้วยใช่ไหมแต่นี้รู้แล้วนะรู้วิธีการรู้ขั้นตอนและการที่จะทํำแล้วเรานึกถึงได้ทั้งหมดการเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่เออการเจริญพรหมวิหารแบบเนี้ยแบบเป็นกิจจลักษณะแบบนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อหน้า พะจิตเราสามารถจะแผ่ไปหน้าที่ไหนบุคคลใดได้ตลอดแผ่ไปได้ทุกทิศถังเกตไหมบุคคลทุกจำพวกได้หมดฉกนั้น อ, นอนุภาพของใจเนี่ยสามารถแผ่ได้ไม่ใช่ไปดูต่อหน้าโอ้โหยุ่งก็มาถามไม่เป็นอย่างนั้น<ช>ไม่ต้องไปโทรศัพท์เพ่นเรียกเข้ามาใกล้ๆไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เจริญได้เลยใช่แผ่กันตนเองก็ไล่ไปตามลาดับน่แหละแผ่กันตนเองบุคคลที่เรารัก บุคคลที่เราเครารพ บ, บุคคลที่เราลราักบุคคลที่เป็นกลางกลางบุคคลเป็นเศัตรูก็ในยะนี้ไล่ไปตามลำดับอันดับแรกขาดไม่ได้ก็คือตอนเองเนี่ยตนเอ ง, ง, งใช่ใช่เราจะสามารถเจริญได้โดยไม่ยากเย็นแล้วเนีน้สมณเณรบมเคยเจริญพรมิหารแบบนี้ไหมเคยไหม ฟังมานานแล้วเนะี่ยจะไม่เคยลงรายละเอียดแบบนี้ใช่ั้มเคยไหมเคยไล่ไปตามลาดับแบบนี้ไหมยังไม่เคยทำเลยใช่ไหมจะไม่เคยที่เข้าถึงคนที่กลางๆคนที่เป็นศัตรูเคยมีศัตรูไหมเกิดมานะเคยแพลไปเขาหมต้องฝึกนะมีน้ำใจไป อา้าต่อไปก็ต้องทํานี่ยไปทําเป็นกิจลักษณะตอนนี้มีข้อมูลและมีหลักการวิธีการมีแผนที่แล้วเหลืออย่างเดียวก็คือว่าวิธีการที่จะฝึกนี่เลยต้องไปฝึกไปทํารู้แล้วไม่ทำโอ้ไม่ดีเลยไม่ได้ประโยชน์มัน ต, ต้องทําด้วยมีอะไรอีกไหมวันนี้ ทุกควเกเวลาอย่าง